ท่านสมพานกำลังฉันเช้าอยู่เอตแต่ว่าโยมมาหาใครอาตมาหรือว่าท่านสมพานเน้นหนุ่มสำคัญตนผิดเราสองคนจะมาหาท่านสมพานวัดป่ามะม่วงจะ่ะหนึ่งในสองสาวตอบโยมมาจากไหนจ๊ะมีธุระอะไรกับท่านสมพานหรือเปล่ามาจากปากน้ำโพค่ะมีธุระกับท่านสมพานธุระสำคัญ มีอะไรหรือหนูพระเจริญร่วมช้อนและก็ซ่อมทั้งที่เพิ่งฉันไปได้สามคำท่านไม่อยากให้ใครมารอขณะกำลังฉันยกแก้วน้ำขึ้นดื่มแล้วจึงบอกเนนให้เก็บสำรับขึ้นหนูกับน้องสาวมาจากปากน้ำโพค่ะเทวดาไปเข้าฝันบอกว่าท่านสมพานวัดป่ามะม่วงมีของขวัญจะให้ให้มารับวันนี้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 ท่านขึ้นไปข้างบนประเดี๋ยวหนึง่งก็ลงมาถือห่อผ้าสีตุนตุนลงมาด้วยท่านวางห่อผ้านั้นไว้ตรงหน้าคนพี่บอกว่าเอาเอาไปแบ่งเท่าๆกันแล้วนำไปขายเอาเงินมาเลี้ยงพ่อแม่นะหญิงสาวหยิบห่อนั้นขึ้นมาสิ่งที่สายตาสัมผัสทำให้หล่อนร้องออกมาว่านี่ใส่สร้อยทองนี่คะ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 สมภารวัดป่ามะม่วงถามอยู่แต่พ่อคะ่ะแม่ตายหลายปีแล้วและพ่อกำลังจะมีเมียใหม่หนูกับน้องก็เลยคิดว่าจะพากันหนีพ่อไปอยู่กับป้าที่เชียงรายอย่านะหนูทิ้งพ่อทิ้งแม่บาปกรรมมากนะต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่สิหลวงพ่อขอบอกนะว่าทองเส้นนี้ ให้หนูนําไปขายเอาเงินมาเลี้ยงพ่อและหนูจะเจริญก็เขาจะให้เมียใหม่นี่คะ่ะน้องสาวเป็นคนพูดหนูกับน้องก็เลยทิ้งเขาไว้ให้เมียใหม่เลี้ยงพี่สาวช่วยเสริมทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าทำหนูสองคนจะได้ชื่อว่าเป็นลูกอกตัญยูคนที่อักตัญยูต่อผู้มีพระคุณทำมาหากินไม่ขึ้น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 ทำให้สองสาวถึงกับน้ำตาคลอที่คิดกันไว้ว่าจะหนีพ่อไปอยู่กับป้าก็เป็นอันม้มเลิกใครเลยอยากจะเป็นลูกอากตันยูพี่น้องลา ก, กลับไปได้สักพักสองผัวเมียเข้ามาในกุฏิกราบสมภารแล้วคนเป็นเมียพูดขึ้นว่าท่านสมภารจำชั้นกับพวกบ้านได้ไหมจ๊ะยมจะมารับสายสร้อยที่ฝากไว้ใช่ไหม อาตมาเพิ่งให้เข้าไปเดี๋ยวนี้เองแต่เอาเธออาตมาจะเอาของโยมยายให้แทนก็แล้วกันท่านรีบบอกได้เกรงสองผัวเมียจะคิดว่าท่านยักยอกของของเขาเปล่าเจ้าเปล่าฉันไม่ได้มาทวงคืนก็ฉันบอกแล้วไงว่าถวายท่านสตรีนั้นยืนยันเจตนาเดิมอย่างนั้นหรอกหรืออาตมานึกว่าโยมจะมาทวงคืนเสียอีก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 วันที่ท่านกรุณารับของไว้พอฉั้นกลับถึงบ้านคืนนั้นแม่ก็มาเข้าฝันชั้นบอกว่าขึ้นจากนรกแล้วให้ชั้นมาขอบคุณท่านสมภารแล้วแกก็ให้ศีลให้พรชั้นใหญ่บอกว่าฉั้นจะร่ํารวยเพราะช่วยแม่ให้ขึ้นจากนรกได้แม่ยังบอกอีกว่าต่อไปวัดป่ามะม่วงจะเจริญ เพราะท่านสมภารมีบารมีสูงจะมีคนมาช่วยสร้างศาลาหลังใหญ่ให้สองหลังคนจะเข้ามาปฏิบัติกรรมาฐานเป็นพันเป็นหมื่นเงินทองจะไหลมาเทมาท่านสมภารว่าจริงอย่างที่แม่แกพูดไม่จ๊ะนา่งถามพระเจริญอาตมาก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็คงต้องคอยดูกันต่อไป โยมก็ต้องมันมาดูนะว่าจริงหรือไม่จริงต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองจ้ะและฉันก็จะร่ำรวยจริงอย่างที่แม่ว่าฉันจะมาช่วยท่านสมพานสร้างสาลาขอบใจจ้ยโยมอ๋อเมื่อตกี้นี่มีผู้หญิงสองคนพี่น้องเขามาบอกอาตมาว่าเทวดาไปเข้าฝันบอกให้มารับของขวัญจากสมพานวัดป่ามะม่วง ที่มีคนมาถวายเมื่อสามวันก่อนอาตมาก็เลยให้สายสร้อยทองเส้นนั้นไปเขากำลังจะทิ้งพ่อไปอยู่ที่อื่นอาตมาก็ห้ามไว้บอกให้เอาทองไปขายเอาเงินมาเลี้ยงพ่อเขาก็รับปากรับคำโยมเอาบุญไปนะสาธุท่านสมภารจางใจบุญเหลือเกินฉันขออนุโมทนาจ่ะ นางยกมือประนมเหนือศีรษะสามีของนางก็ทำอย่างเดียวกันเดือนต่อมาพระเจริญมีกิจนิมนต์ที่บางกอกลูกศิษย์คนหนึ่งมานิมนต์ไปเจริญพระพุทธมนต์งานมงคลสมรสของญาติ ท่านตั้งใจว่าจะไปหาซื้อนังสือสวดมนต์ที่สนามหลวงเพื่อนำมาตรวจสอบกับบทสวดมนต์มหาเมตตาครอบจั ก, กรวาลของเทวดาชวนแม่ชีสวดทุกคืนฉันเพลงแล้วในหลอก็เอารถมารับตั้งแต่รถตกเหวคราวนั้นในหลอก็ร่ำรวยขึ้นกว่าแต่ก่อนและก็สามารถซื้อรถคันใหม่ได้ โดยไม่ยอมรับเงินช่วยเหลือจากท่านแม้แต่บาทเดียวส่วนคันเดิมก็ยังค้างอยู่บนยอดยางในเหวที่อำเภอแม่สอดเพราะไม่สามารถจเจาขึ้นจากเหวได้อีกประการหนึง่งรถพังยับเยินเกินกว่าจะซ่อมได้เจ้าของจึงจำใจต้องทิ้งไว้อย่างนั้นก่อนที่ท่านจะออกจากกุฏิแม่ชีก็มารายงานว่าหลวงพ่อ เทวดาบอกฉันว่าหลวงพ่อจะไปบางกอกวันนี้เทวดานิชักจะยุ่งมากเกินไปเสีแล้วเที่ยวยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาไปทั่วเมื่อเดือนที่แล้วก็ไปเข้าฝันสองพี่น้องบอกให้มารับของขวัญที่สมภารวัดป่ามะม่วงท่านแกลงบนไปอย่างนั้นเองหรือว่าเทวดาต้องได้ยิน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 โยมเขานิมนต์ไปเจริญพระพุทธมนต์เขาให้เป็พักที่วัดสเกตก็นี่แหละที่ฉันจะมาเพื่อกราบเรียนเรื่องนี้คือเทวดาเขาให้มาบอกหลวงพ่อว่าไม่ต้องไปซื้อนังสือที่สนามหลวงบทสวดมนต์ที่เทวดามาสอนฉันสวดมีอยู่ในนังสือพุทธาพิเศษฉบับสมเด็จพระสังฆราชแพรที่สนามหลวงไม่มีขาย ให้หลวงพ่อไปขอยืมจากท่านพระครูปหลัดสเสงี่ยมอัตมาไม่รู้จักท่านเทวดาบอกหรือเปล่าท่านอยู่วัดไหนบอกจ่าเทวดาบอกว่าท่านอยู่วัดสุทัศน์หลวงพ่อจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาหาซื้อที่สนามหลวงแม่ชีกราบเรียนสมภารตามที่เทวดาบอกงั้นก็ขอบใจที่มาบอก ฝากขอบใจเทวดาด้วยอาตมาไปละแล้วท่านจึงเดินไปขึ้นรถที่นายหล่อติดเครื่องยนต์รออยู่นายหล่อพาพระเจริญมาถึงวัดสเกตตอนหัวค่าพระหนุ่มตั้งใจว่าพรุ่งนี้เช้า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 รุ่งเช้าสมเด็จวัดสเกตได้รับนิมนต์ไปงานมงคลสมรสด้วยและพระสองฆ์อีกเจ็ดรูปที่ไปร่วมในงานเจริญพระพุทธมนต์ล้วนเป็นพระหนุ่มที่อายุพรรษาน้อยกว่าพระเจริญเหตุนี้สมภารวัดป่ามะม่วงจึงได้นั่งเป็นลำดับที่สองจากสมเด็จวัดสเกตคู่บ่าวสาวที่นั่งหมอบฟังการเจริญพุทธมนต์ต่อหน้าพระสงฆ์ก้ารูปนั้น เพียงมองแว็บเดียวพระเจริญก็รู้ได้ทันทีว่าเจ้าบ่าวเป็นผู้หญิงผู้หญิงแต่งงานกับผู้หญิงเมื่อพระสงฆ์ก้าวรูปเจริญพระพุทธมนต์จบลงสมเด็จจึงประบพรมน้ำมนต์ให้กับคู่แต่งงานพร้อมประสาทพรว่าขอให้คู่บ่าวสาวจงรักมั่นขวัญยืน ครองคู่กันจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร น, นะจากนั้นคู่แต่งงานจึงพากันไปใส่บาตรพระเจริญแอบกระซิบกับสมเด็จว่าเมื่อกี้พระเด็จพระคุณให้พรคู่บ่าวสาวหรือขอรับก็ใช่นะสิฉันว่าอะไรผิดหรือสมเด็จถามเสียงเบาๆไม่ผิดหรอกขอรับ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 จริงของเธอเสียแรงที่ฉันเป็นหมอดูแต่ดูผู้หญิงเป็นผู้ชายไปได้สงสัยจะต้องเลิกเป็นหมอดูเส่แล้วกลับไปเนี่ยฉันจะไปเผาตำราทิ้งท่านพูดพลางหัวเราะเบาๆหันไปมองคนคู่นั้นอีกครั้งแล้วกล่าวว่าแต่เขาแต่งตัวได้แนบเนียนดีนี่นาะดูสิใส่เสื้อ น, นอก วิผมเรียบแปรเลยคนสมัยนี้มีอะไรพิลึกพิลึกนะนั่นสิขอรับกระผมก็เป็นห่วงอยู่เนี่ยห่วงอะไรเขาล่ะห่วงว่าเขาไม่มีบุตรไว้สืบสกุลนั่นสิขอรับพระหนุ่มตอบโลกเราดีมันมีอะไรแปลกแปลกขึ้นทุกวันพวกเราอยู่กันแต่ในวัดเลยตามเขาไม่ค่อยจะทัน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 พิธีกรจึงกล่าวนำถวายสังฆทานพระสงฆ์กล่าวรับอนุโมทนาจากนั้นคู่แต่งงานและญาติโยมช่วยกันประเคนพัฒหารแด่พระสงฆ์ทั้งก้ารูปเสร็จพิธีแล้วพร ะ, จะเจริญจึงกราบลาสมเด็จเพื่อจะกลับวัดขึ้นรถแล้วก็นึกได้ว่าจะต้องไปหาพระครูปลัดเสงี่ยมจึงบอกในหลอว่าช่วยแวะที่วัดสุทัศน์หน่อย ฉันจะไปหาท่านพระครูปลัดเสงียมหลวงพี่รู้จักท่านเหรอครับไม่รู้หรอกเข้าไปถามหาคงไม่ยากจะไปยืมหนังสือท่านหน่อยเมื่อถึงวัดสุทัศน์พระเจริญจึงไปถามหาพระครูปหลัดเสียมครั้นพบแล้วจึงบอกจุดประสงค์ของการมาพระครูวัยสี่สิบกว่าว่านังสือที่ว่ามีอยู่เล่มเดียว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 พระเจริญก็ให้เนนเฉลียวไปตามแม่ชีก้อนทองมาที่กุฏิของท่านหลวงพ่อมีอะไรจะใช้ดิฉันหรือจ้างแม่ชีถามหลังจากกราบท่านแล้วมีสิไม่งั้นจะให้เนนไปตามมาทําไมคืออย่างนี้นะอาตมาได้หนังสือสวดมนต์ตามที่เทวดาบอกแล้วมีอยู่เล่มเดียวจริงๆท่านให้เยื่มาวันเดียวพรุ่งนี้ จะต้องนำไปคืนแต่เช้าจึงอยากจะทดสอบว่าที่เทวดาสอนโยมสวดนะ่ะจะตรงกันไหมอา้าวไหนว่าไปสิท่านเปิดหนังสือหน้าหนึ่งแล้วก็ให้แม่ชีสวดให้ฟังแม่ชีจึงเริ่มต้นสวดช้าๆว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เอวมเมสุตังเอกังสมยังพัควาสาวัติยังวิหรติเตชเวนะอนาทะบินทิกสะอารามขณะที่แม่ชีก้อนทองสวดไปอย่างช้าๆนั้นพระเจริญดูตามไปด้วยแม่ชีสวดได้ตรงกับในหนังสือทุกตัวอักษรซึ่งช่วงแรกๆ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 พวกเทวดาเขานิยมสวดกันพระหนุ่มคิดว่าจะต้องคัดลอกเก็บไว้เพื่อนำไปพิมพ์แจกญาติโยมในโอกาสต่อไปนึกขอบคุณท่านพระครูปรัหสัดเงียมที่ให้ยืมหนังสือพุทธาพิเศษเล่มนี้มาทำให้ท่านมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ แค่ชีก้อนทองใช้เวลาสวดถึงสามชั่วโมงเต็มทั้งที่บทสวดมีเพียง11อหน้ากระดาษของหนังสือขนาด8หน้ายกและมีข้อความซ้ำๆกันทำให้ง่ายต่อการจดจำวักสุดท้ายจบลงด้วยข้อความว่าเมตตาพรหมะวิหาระภาวนานิทิตตาเก่งมากโยมไม่ผิดเลยสักตัวเดียว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 เอาละโยมกลับไปที่ศาลาได้อัตมาจะขึ้นข้างบนละมาที่นี่ยังไม่ทันหายเหนื่อยเลยเดี๋ยวคืนนี้อัตมาจะคัดลอกบทสวดมนต์นี้ไว้พรุ่งนี้จะได้นำไปคืนท่านพรุ่งนี้หลวงพ่อจะเข้าบางกอกอีกรอแม่ชีก้อนทองถามเข้าสิก็สัญญากับท่านพระครูป ร, รัชญาเงี่ยมไว้ว่าจะนำหนังสือไปคืนท่าน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 อาตมายังหนุ่มยังแน่นท่านแกล้งยัวแม่ชีวัย9ก้าสิบฉันขอนิมนเถอจะจ้าพระดีๆอย่างหลวงพ่ออย่าศึกเลยอยู่ช่วยงานพระศาสนาไปนานๆเถอะอาตมาก็อยากอยู่หลอกโยมแต่โยมอย่าลืมนะว่าคนที่เขาหล่อน้อยกว่าอาตมาอย่างศึกกันไปตั้งมากมายและนับประสาอะไรกับคนหล่ออย่างพระเจริญ แม่ชีฟังแล้วพูดอะไรไม่ออกเพราะสิ่งที่สมพานพูดมันนั้นจริงซะยิ่งกว่าจริง